วันนี้เก็ตรงกับวันพระนะวันพระใหญ่ันนีจตรงกบวันแรมสิบห้าคำนะสิบห้าค่ำ เ, ออเดือนเก้าแล้วนะ เ, ออเดือนแปดเดือนแปดเกิดเข้าพรรษามาได้สิบห้าวันสิบห้าวันนะ เมื่อเราถึงฤดูกาลคข้ า, าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็วันหยุดก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตามสากลก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็รักษาในวันพระเอาไว้นะเมื่อมีโอกาสก็มาทำบุญในวันพระหรือว่าวันศีล น, นั่นคือวันที่เราก็มาถือศีล สงบกายสงบวาจาสงบใจในว่าเตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจของเราไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการความสงบทีนี้คนเราก็คิดว่าความสุขความสงบนะมันจะอยู่เป็นสิ่งภายนอกนะพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นสิ่งภายในนี้ก็คือใจถ้าใจสงบในะว่าใจของเราดีแล้ว ข้างนอกนีก็ดีไปด้วยนันการมาฝึกใจของเราจึางสําคัญมโนหรือมณะนเนีย่ยใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทุกอย่างจะสําเร็จแล้วก็ด้วยใจใจดีนะเราก็สําเร็จผลงานก็ออกมาเป็ น, ปนความดีถ้าใจไม่ดีนะผลงานทั้งหลายออกมานั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสวดมนต์ก็ว่าเรามีกรรม เป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลนี่กรรมเป็นเกิดกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามเราก็พิจารณาว่าเราก็ต้องสร้างสมอบรมแต่กรรมดีเอาไว้แล้รกรรมดีนี้ไม่ให้ผลแล้วเราย่อมได้รับความสุขกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจถ้าผลขึ้นมาก็เป็นความทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมีสติ เพราะว่าพระเจ้าจะเกิดขึ้นท้าพราะองค์นั้นไม่ใช่ของง่ายเมื่อไม่ใช่ของง่ายเนี่ยเราก็มีโอกาสมาพบพระธรรมคำสอนของท่านเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันดีให้มันงามมากขึ้นทีเดียวในชาติชีวิตนี้เน่ยเพราะอะไรเพราะว่าโรคนี้นะเราก็มาอยู่เพียงชั่วข่าวต้นเองเราไม่ได้อยู่ตลอดไปไม่มีใครที่มาโรคนี้แล้ว เป็นเจ้าของโลกนี้ได้เลยเป็นเจ้าของกันได้ก็เพียงแต่สมมติกันตกลงกันตามหลักกฎหมายว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราอเพื่อให้มนุษย์และสังคมอยู่กันได้ด้วยความสงบนะด้วยความสงบแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงจังเจ้าของจริงจริงจั ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้อง ตายนะบางทีเมื่อคนเราตายแล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจหลวงพชาให้ถึงให้สติเนื้อให้คติในแง่คิดว่าถ้าเราจะเสียใจร้องไห้กับความพัดภาคจากกันไปอยากการตายอย่างนี้เป็นต้นท่านบอกเราจะต้องร้องไห้ตั้งแต่ที่เขาเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเป็นเด็กเกิดขึ้นมาเราจะร้องไห้แล้วว่าเออ เด็กคนนี้เกิดขึ้นมาก็จะต้องตายนะไม่ใช่ดีใจก็เสียใจวะนั่นเขาจะตายแต่นี้มันกเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดีอกดีใจกันนะแต่เมื่อเสียชีวิตไปก็จะเศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็คือเป็นธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้คือจิตที่เป็นโลกโลโกโลกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าว่าจิตเรามีธรรมะ ก็ต้องพิจารณาเป็นธรรมสังเวชขึ้นไปว่าสังแานมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะไม่สามารถที่จะนะอยู่ตลอดเทววัไปได้เราก็พิจารณาต้นไม้ภูเขาก็ดีนวัตถุสิ่งของทั้งหลายมาลดสร้างขึ้นมาก็จะต้องแตกสลายพังไปเนี่ยเป็นหลักของความจริงอย่างนี้ เราต้องพิจารณาให้เห็นกับหลักความจริงไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายชีวิตไม่แน่นอนเลเนะี่ยมันจะต้องตายอย่างนี้ชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นี่แหละเราจะทําอะไรอืมเราจะทำอะไรเราต้องพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากทีเดียวอะนะเพราะเราจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ได้ดับสลายหรือศูนย์ไปเลย ใจมันจึงจะนำนะกรรมทั้งหลายไปด้วยกรรมที่ดีก็จะนําไปกรรมไม่ดีก็จะนําไปที่ใจถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมเมล็ดพืชพันธุ์ทั้งหลายมเมล็ดพืชพันธุ์ที่เร า, เาป้อปลูกลงไปแล้วเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็จะตเติบโตขึ้นมาได้เมื่อมีอุณภูมิมีน้ําที่เหมาะสมขึ้นมามีอาหารเหมาะสมก็เกิดขึ้นมามีรากมีลมำต้น มีเกิ่งมีกา้านมีดอกมีใบขึ้มนมาอย่างเงี้ยนะกรรมทั้งหลายอยู่ในใจเหล่านี้ก็พาเราไปเกิดอีกนะพาไปเกิดอีกเมื่อเราจะต้องตายจากโรคนี้ทุกคนก็ต้องการว่ามีความสุขต้องการไปสุขติพบภูมิข้างหน้านะสุขตินะภูมิที่มีความสุขนะมีความสบายกว่าโรคมนุษย์นี่นสุขติภูมิเนี่ นั่นเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องสร้างไว้ก่อนนะมันเรามีบ้านหลังหนึง่งบ้านกําลังผูกพังลงแล้วเราเป็นผู้อาศัยอยู่เราต้องคิดว่าจะต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่สักหลังหนึง่งที่เราจะต้องเป็นที่พักพิงเอาไว้เมื่อบ้านหลังนี้มันผูกพังเราก็จะไปอยู่อีกหลังหนึงนะ่งนะภพภูมิข้างหน้านก็เหมือนกันนั่นแหละนะเราต้องสร้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าในใจเนี่ยเราจะไปที่ไหนล่ะเราต้องการไปสวรรค์ สกติเราก็ต้องสร้างเอาไว้ก่อนสร้างบุญบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีล น, นี่ก็เป็นบุญเมื่อกี้เราสมาทานศีลก็ไม่ได้สมาทานเล่นๆนะนะต้องสมาทานว่าเออวันนี้สมาทานศีลห้าแล้วเอาละศีลห้าวันเราจะตายก็ตายแต่วันนี้เราต้องมีศีลห้าเราวันเนี้นะเราต้องรักษาให้มันคงเอาไว้เพราะว่าก็เป็นการสร้างบ้านในใจของเราเนี่ยเหมือนกัน การให้ทานการทำบุญนะก็สละความตนฑิถทีเนียลงไปการสมัทานศีลก็สร้างบ้านในใจของเรานี้ให้มีนะหลังคามีความมั่นคงถาวรขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อที่ใจของเราจะได้ไปอาศัยอในศีลที่เราได้สมัคทานเอาไว้เมื่อร่างกายนี้แตกดับจิตนั่นนะก็จะได้อาศัยบุญที่เราได้สร้างสมบูรมบมานีแล้นะนะ นี่จะไปเกิดต่อไปในภพข้างหน้าหรือว่าเมื่อการเรามีการภาวนานะสวดมนต์เป็นประจำเมื่อเราใกล้จะสิ้นชีวิตได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นมาใจเราจะอิ่มใจเบิกบานใจเหมือนเสียงเนี้ก็จะนําเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะว่าเราได้ฟังเสียงสวดมนต์นะเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อจิตเราจะแตกดับได้ยินเสียงพระมาสวดให้ เขาจะเปิดเทปกระด้ษทุกวันในนะนะยินเสียงสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิพันโนนั่งเลิกนะขึ้นมาแล้วก็ใจของเราก็เบิกบานใจอิ่มใจขึ้นมาได้เนี่ยนะนะเราก็ต้องสวดมนต์ไว้ในปัจจุบันมากๆก่อนนะสวดมนต์นะนนฟังเทศฟังธรรมเอาไว้มากๆเมื่อยามจิตของเรามันจะดับไปบางทีพระท่านหรือโยมจะไปบอกให้กรรมาฐานพุโทโธพุโทโธนะ ตอนนั้นมันก็มึนๆงงๆอยู่แล้วอาจจะพุทธโธไม่ออกก็เลยบัดพุดโทโธพุทโธหรือเปล่าออย่างนี้แต่ถ้าเราได้ภาวนาเป็นประจำแล้วบอกพระบอกว่าพุโทโธธัรมโมสังโฆโอพระบอกหบอกทางที่จะไปสวรรค์ให้แล้วนะเราก็จําแม่นแล้วในใจของเราบริกรรมภาวนาใ น, ในใจนึกในใจเพราะว่าอายตนะมันดับไปแล้วนี่นะแต่ว่าใจมันคิดอยู่คิดนึกไปอยู่อย่างนี้ เราก็ต้องนะสัมผัสด้วยกรรมาฐานอารมณ์ภาวนาไว้ที่จะนำจิตนำใจของเราเนี่ยนะเป็นกรรมที่ดีที่จะส่งผลไปข้างหน้าให้มีความสุขความสงบเพียะวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลก็ให้ตั้งคิดตั้งใจสร้างคุณงามความดีสํานวมกายวาจ า, าชีวิตนี้วันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่ปองไร้ใครั้นั้นละให้อภัย ซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือกันเมื่อใครคนใดมีคุณงามความดีเกิดมุทิตาดีอกดีใจด้วยเพราะว่าเมื่อเขาสร้างความดีแล้วเขากิดการทกรรมดีกรรมดีนะั่นจะให้ผในความสุขทั้งชาติปัจจุบันนี้และกังหันหน้านะเมื่อเขายัางทําไม่ดีอยู่ก็วบบางอุเบกขาไว้ก่อนวันหนึ่งเคงจะเปลี่ยนใจกลับใจสร้างความดีได้นี่ก็คือมีธรรมะรักษาใจก็ขอให้พัฒนาใจของเราให้เจริญทุกการทุกทุกเทิน